สวัสดีค่ะท่านฟังที่เคารพค่ะพุทธวัตรสวัสดีก็เพิ่งจะบอกว่ารายทุก นะคะเอ่อบางคนก็ชอบฟังเรื่องของศาสดาที่ไม่ใช่ศาสนาที่ตนเองประกาศว่านับ กล่าวด้วยอานมัสการค่ะสัมพันค่ะตัณหาคุณโยมติ๋วเป็นสิ่งที่ที่ร้ายแรงมากมีพิษ นะไม่ว่าจะเป็นสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานมนุษย์เทวดา 6 ชั้นทั้งหมดรวมถึงพรหมด้วยถูกตัณหาเนี่ยรัดรึงไว้หมด ตัวขอเข้าตายไปคนหนึ่งตายไปคนหนึ่งยังไว้ถูกอวิชชาบังเอาไว้ นั่นก็เป็นสิ่งที่ร้ายกาจร้ายแรงนะมีพิษมากพิษของ 2 เรามี มันจะถูกแทงกี่ดอกนับไม่ท้วนแล้วก็โยมเตียวนะเช่นค่ะคือฉันเป็นนางงามสมมุติเอ่อสมมุติสมมุติ 1 1, 1>, <นะ S 2> 1> ดอกตรงนั้น ชั้นเป็นอย่างงี้ชั้นนั่นเป็นชั้นชั้นเป็นอย่างนั้นน่าจะถูกแทงอีกหลายดอกประมาณ 32 ดอกต่อมาค่ะสิ่งๆรายละเอียดเรา เมื่อเดินเดินไปสบายใจคิดว่าฉันแฮปปี้ละชีวิตนี้ไม่มีปัญหาอะไรคิดมันยังไม่ออกพิษมันยังไม่ออกแต่ถ้าพิษมันออกเมื่อไหร่เราจะเจ็บมาก <Okay. S 1> รักตรงไหนรักที่ใจไหนรักที่ใจเพราะคุณจะเจ็บที่ใจมากค่ะเช่นเอ่อสามีภรรยากันเอาอย่างตัวอย่างที่คุณโยมติ๋วพูดก็ได้พูดถึงคุณเป็นนางงามใช่มั้ยค่ะคุณเป็นนางงานผู้คุณถูก ความจริงปรากฏนี่คือความจริงปรากฏนะพอความจริงปรากฏปุ๊บเราไม่สวยเหมือนกล่าวอะไรต่างๆเราจะเจ็บเอ๊ะทำไมฉันไม่เป็นอย่างนั้นทำไมเป็นอย่าง เอ่อสามีปริยารักกันเอ่อพ่อแม่หรือลูกรักกันรักลูกมากคุณ ปรากฏปุ๊บคุณจะเห็นอวิชชาเห็นอวิชชาปุ๊บมันจะเจ็บตรงนั้นนี่เพราะอวิชชาค่ะอวิชชาคือไม่รู้ตามที่ วิธีแก้อ่ะเดี๋ยวจะค่อยพูดวันต่อไปวิธีแก้นี่คือคือตัวว่าความร้ายแรงของจริงๆช่วงที่ผ่านมาอ่าเมื่อๆได้ ก็จะอึดอัดไปด้วยเป็นให้เข้าใจว่าถ้าจะสรุปเป็นเรื่องตัณหาก็ทั้งๆที่ส่วนใหญ่เรามักพูดกันถึงแต่ หน่วยเดียวมันเป็นรากอันเดียวกันค่ะตัณหาอวิชชามันจะพลิกผันออกมาเป็นราคะ 8 ตัณหา 8 จะพลิกผันออกมาเป็น <Okay. S 1> อะไรต่างๆพวกเครื่องร้อนเจ็บปวดตรงของอะไรของโรคเชื้อโรคนี้มันยัง 5 พูดถึงกิเลสเนี่ยพวกนี้เป็นอาการอาการอาการ<อ> นะอาการมันพลิกผันได้ 108,000 อย่างบางๆในโลกมันหลอกไงมันหลอกค่ะทีนี้บางทีมันดี ค่ะอ่ะต่อไปนะเอ่อว่าตัณหานี้น่ะมันมี อยากจะบรรลุเป็นพระอรหันต์ไม่ดีหรอกอยากที่จะบรรลุ แล้วคุณไม่มีความอยากทําเนี่ยคุณจะไปทําได้ยังไงอ้าวแล้วเธอบอกค่ะมัน เค้าก็คิดว่าปฏิบัติไม่ได้หรอกโยนทิ้งคํา นะถ้าสมมุติคุณทํามรรคซึ่งคุณไม่ตั้งสมาธิคุณไปรักษาศีลคุณไปทําความเพียรอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าศีลของคุณมีตัณหาและทิฏฐิรูปคล่ําแฝดผิดนั่นคือศีลัพพตปรมาทค่ะศีลและทิฏฐิรูปคล่ําอย่าง <c oughs> อ่ะคือเป็นน้ําชาจิบดูอ้าวมันเล่าแล้วก็ด่าลูกน้องเอ่อ อันนั้นเป็นสัมมาวยามะเป็นสิ่งที่พระเจ้าควรให้ทําสนับสนุนให้ นะซึ่งซึ่งคิดว่าไอ้เรื่องทางออกความของเอ่อตัณหากับความทุกข์นี้ก็มีอยู่นะซึ่ง แย้งกับมันนะเชื่อโรคกับตัวอาการวิชาตัณหาอย่างละเอียดนึกซึ้ง เป็นประจําทุกเดือนใครสนใจจะเข้าไปดึก คืนเทศกาลกฐินนะคะของวัดป่าดอนไหโสก็ 27 ตุลาคมนี้ค่ะเราติดตาม 106 กัน